สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกาพระประวัติเบื้องตน้นมุทิตาอภิวาทผู้ทรงธรรมทรงเมตตาบารมีทรงชี้นำเผยแพร่พุทธธรรมให้กระไรเชื่อกรม จ่าทรงตรุณาสังสอนไว้ให้ทุกคนจงก้าวพ้นจากเวรภัยหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันเถิดนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุวัฒนะมหาเถระเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีพระนามเดิมว่าจเจริญคคชวัตรประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456เวลาประมาณ4นาฬิกาเศษนับอย่างปัจจุบันเป็นวันที่5ตุลาคม ตรงกับวันสุก ข, ขึ้นสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดปีฉลูณตำบลบ้านเหนืออําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระชนกชื่อนายน้อยคดชวรรัตรพระชนนีชื่อนางกิมน้อยคดชวัตรบรรพชนของเจ้าพระคุณสมเด็จมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเพราะมาจากสี่ทิศทางกล่าวคือพระชนกมีเชื้อสายมาจากกรุงเก่าทางหนึ่งจากปักใต้ทางหนึ่ง ส่วนพระชนนีมีเชื้อสายมาจากยวนทางหนึ่งจากจีนทางหนึ่งนายน้อยควชวัตรเป็นบุตรนายเล็กและนางแดงอินเป็นหลานปู่หลานย่าของหลวงพิพิธพักดีและนางจีนหลวงพิพิธพักดีนั้นเป็นชาวกรุงเก่าเข้ามารับราชการในกรุงเทพ ได้ออกไปเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองชา ย, ยาคราวหนึ่งและเป็นผู้หนึ่งที่ประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ไปคุมเฉลยศึกที่เมืองพระตะบองคราวหนึ่งรลวมพิพิธพักดีได้ภรรยาเป็นชาวชา ย, ยาสองคนชื่อทัพคนหนึ่งชื่อนุ่นคนหนึ่งและได้ภรรยาเป็นชาวภูมิเรียงอีกคนหนึ่งชื่อแตมต่อมา เมื่อครั้งพวกแขกยกเข้าตีเมืองตรังเมืองสงขาของไทยเมื่อพุทธศักราช2581พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาสีพิพัฒน์ซึ่งต่อมาได้เป็นที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาตในราชการที่สี่เป็นแม่ทัพยกออกไปปราบรามหลวงพิพิธพักดีได้ไปในราชการทัพครั้งนั้นด้วยและไปได้ภรรยาอีกหนึ่งชื่อจีน ซึ่งเป็นธิดาของพระปหลัดเมืองตะกัวทุ่งในวงเล็บสนเป็นหลานสาวของพระตะกัวทุ่งหรือพระยาโลหะภูมิพิสัยในวงเล็บขุนดำชาวเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาหลวงพิพิธพักดีได้พาพันรยาชื่อจีนมาตั้งครอบครัวอยู่ในกรุงเทพและได้รับพันรยาเดิมชื่อแต้มจากภูมิเรียงมาอยู่ด้วยส่วนพันรยาอีกสองคนได้ถึงแก่กรรมไปก่อน เวลานั้นพี่ชายของหลวงพิพิธพักดีคือพระยาพี่ชัยสงครามเป็นเจ้าเมืองศรีสวัสดิ์กาญจนาบุรีและมีอาชื่อพระยาประสิทธิ์ที่สงครามในวงเล็บขำเป็นเจ้าเมืองกาญจนาบุรีต่อมาหลวงพิพิธพักดีลาออกจากราชการและได้พาภรรยาทั้งสองคนมาตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองกาญจนาบุรีกล่าวกันว่าหลวงพิพิธพักดีนั้นเป็นคนดุ เมื่อเป็นผู้ช่วยราชการอยู่ที่เมืองชัยยาเคยเคียนนักโทษตายทั้งคาเป็นเหตุให้หลวงพิพิธพักดีเกิดสลดใจลาออกจากราชการแต่บางคนเล่าว่าเหตุที่ทำให้หลวงพิพิธพักดีต้องลาออกจากราชการนั้นก็เพราะเกิดความเรื่องที่ได้ทิดาพระประหลัดเมืองตะกัวทุ่งชื่อจีนมาเป็นภรรยานั่นเองเมื่อพี่ชายคือพระพิชัยสงคราม ทราบว่าหลวงพิพิธพักดีอบพยพครอบครัวมาอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีก็ได้ชักชวนให้เข้ารับราชการอีกแต่หลวงพิพิธพักดีไม่สมัครใจและได้ทานาเลี้ยงชีพต่อมานายน้อยคดวัสด ได้เรียนหนังสือตลอดจนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 2, สองพรรษาอยู่ในสำนักของพระครูสิงขบูรคณาจารย์ในวงเล็บสุดเจ้าอาวาสวัดเทวะสังคารามหรือวัดเหนือซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านพระครูสิงขบูรคณาจารย์นั้นเป็นบุตรคนเล็กของหลวงพิพิษพักดีกับนางจีนเป็นอาคนเล็กของนายน้อยเมื่อลาสิกขาแล้วนายน้อยได้เข้ารับราชการ เป็นเสมียนสังกัดกระทรวงมหาไทยที่เมืองกาญจนบุรีและได้แต่งงานกับนางกิมน้อยในเวลาต่อมานางกิมน้อยมาจากบรรพชนสายยวนและจีนบรรพชนสายยวนนั้นได้อพยพเข้ามาเมืองไทยในสมัยราชการที่สเมื่อครั้งเจ้าพระยาประดินเดชาในวงเล็บสิงต้นตระกูลสิงหาเสนี ยกทัพไปปราบจราจนเมืองยวนได้ครอบครัวยวนส่งเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พวกยวนที่นับถือพระพุทธศาสนาไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่กาญจน บ, บุรีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2372เพื่อทำหน้าที่รักษาป้อมเมืองส่วนพวกยวนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้ไปตั้งบ้านเรือน อยู่กับพวกยวนเข้ารีดที่เมืองสําเสนในกรุงเทพบพรรพชนสายยวนของนางกิมน้อยเป็นพวกยวนที่เรียกว่ายวนครัวส่วนบนรรพชนสายจีนนั้นได้โดยสารสัมภามมาจากเมืองจีนและได้ไปตั้งถิ่นฐานทําการค้าอยู่ที่กาญจนบุรีนางกิมน้อยเป็นบุตรีของนายทองคำในวงเล็บสายยวนกับนางเฮงเล็กแซ่ตันในวงเล็บสายจีน เกิดที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อแต่งงานกับนายน้อยแล้วได้ใช้ชื่อว่าแดงแก้วแต่ต่อมาก็กลับไปใช้ชื่อเดิมคือกิมน้อยหรือน้อยตลอดมานายน้อยคดชวัตรเริ่มรับราชการในตำแหน่งเสมียนแล้วเลื่อนขึ้นเป็นผู้รังปลัดขวาแต่ต้องออกจากราชการเสียคราวหนึ่งเพราะป่วยหนักหลังจากหายป่วยแล้วจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นประหลัดขวาอำเภอวังขนาไหกาญจนบุรีต่อมาได้ย้ายไปเป็นประลัดอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเกิดป่วยเป็นโรคเนื้อร้ายงอกจึงกลับมารักษาตัวที่บ้านกาญจนบุรีและได้ถึงแก่กรรมเมื่อมีอายุเพียง38ปีได้ทิ้งบุตรน้อยๆให้พันรยาเลี้ยงดูสามคนคือ 1. เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาสังวรสมเด็จพระสังคราชในวงเล็บเจริญคตวัตร 2. นายจำเนียนคตชวัตรสานายสมุดโคชวัตรสำหรับเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นป้าเฮงผู้เป็นพี่สาวของนางกิมน้อยได้ขอมาเลี้ยงตั้งแต่ยัางทรงพระเยาและทรงอยู่ในความเลี้ยงดูของป้าเฮงมาตลอดจนกระทั่งทรงบรรพชาเป็นสามเณรป้าเฮงได้เลี้ยงดูเจ้าพระคุณสมเด็จ ด, ด้วยความทนุถนอมเอาใจเป็นอย่างยิ่งจนพา ก, กันเป็นห่วงว่า จะทำให้เสียเด็กเพราะเลี้ยงแบบตามใจเกินไปชีวิตในปฐมวัยของเจ้าประคุณสมเด็จนับว่าเป็นสุขและอบอุ่นเพราะมีป้าคอยดูแลเอาใจใส่อย่างทนุถนอมส่วนที่นับว่าเป็นทุกข์ของชีวิตในวัยนี้ก็คือความเจ็บป่วยอดแอดของร่างกายในยาววัยเจ้าประคุณสมเด็จทรงเจ็บป่วยอดแอดอยู่เสมอจนคราวหนึ่งทรงป่วยหนัก ถึงกับญาติญาติพากันคิดว่าคงจะไม่รอดและบ่นว่าถ้าหายป่วยจะให้บวชแก้บนเรื่องนี้นับเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงบรรพชาเป็นสา ม, มเาเนในเวลาต่อมา พระนิสัยของเจ้าประคุณสมเด็จเมื่อยาววัยนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นบุพนิมิตรหรือเป็นสิ่งแสดงถึงวิถีชีวิตในอนาคตของพระองค์ได้อย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อทรงพระเยาว์พระนิสัย ท, ที่ทรงแสดงออกอยู่เสมอได้แก่การชอบเล่นเป็นพระหรือเล่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเล่นสร้างถ้ก่อเจดีย์เล่นทอดพระป่าทอดกรถินเล่นทิ้งกระจาด แม้ของเล่นก็ชอบทำของเล่นที่เกี่ยวกับพระเช่นทำคำพีเทศเล็กๆตะละปัดเล็กๆพระนิสัยที่แปลกอีกอย่างหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อเยาว์วัยคือทรงชอบเล่นเทียนเนื่องจากป้าต้องออกไปทำงานตั้งแต่ยังไม่สว่างเจ้าพระคุณสมเด็จจึงต้องปลอยตื่นแต่ดึกตามป้าด้วยแล้วไม่ยอมนอนต่อป้าจึงต้องหาของให้เล่นคือหาเทียนไว้ให้จุดเล่น เจ้าพระคุณสมเด็จก็จะจุดเทียนเล่นและนั่งดูเทียนเล่นอยู่คนเดียวจนสว่างพระนิสัยในทางไม่ดีก็ทรงมีบ้างเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปดังที่เคยทรงเล่า ว, ว่าเมื่อเยาว์วัยก็ทรงชอบเลี้ยงปลากัดชนไก่และบางครั้งก็ทรงหัดดื่มสุราดื่มกระแช่ไปตามเพื่อนแต่พระนิสัยในทางนี้มีไม่มากถึงกับจะทาให้กลายเป็นเด็กเกเร เมื่อพระชนมายุได้ 8. ดขวบเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเริ่มเข้าโรงเรียนคือโรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังคารามซึ่งใช้ศาลาวัดเป็นโรงเรียนจนจบชั้นประถมสาเท่ากับจบชั้นประถมศึกษาในครั้งนั้นหากจะเรียนต่อชั้นมัธยมจะต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดไชยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนประจาจังหวัด สุดท้ายทรงตัดสินพระไทยเรียนต่อชั้นประถมสี่ซึ่งจะเปิดสอนต่อไปที่โรงเรียนวัดเทวะสังคารามนั้นแล้วก็จะเปิดชั้นประถมหต่อไปด้วยเทียบเท่าหมหนึ่งและมสองแต่ไม่มีเรียนภาษาอังกฤษในระหว่างเป็นนักเรียนทรงสมัครเป็นอนุกาชาติและลูกเสือทรงสอบได้เป็นลูกเสือเอกทรงจบการศึกษาชั้นประถมหเมื่อพุทธศักราช2468 ประชนมายุ12พันษาหลังจากจบชั้นประถมห้าแล้วทรงรู้สึกว่ามาถึงทางตันไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรต่อและไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนเพราะขาดผู้นําครอบครัวที่จะเป็นผู้ช่วยคิดช่วยแนะนําตัดสินใจทรงเล่าว่าเมื่อเยาว์วัยทรงมีพระอัธยาศัยค่อนข้างขลาดกลัวต่อคนแปลกหน้าและค่อนข้างจะเป็นคนติดบ้า ที่อยู่ใกล้ชิดกันมาแต่ทรงพระเยาว์โดยไม่เคยแยกจากกันเลยจึงทำให้พระองค์ไม่กล้าตัดสินพระไทยไปเรียนต่อที่อื่น